ผู้เขียนเรื่องตำนางนี้จะเป็นได้เฉพาะหญิงเท่านั้นหรือผู้ชายก็มีทางเป็นได้ในเวลาตายไปท่านฟังแต่คําว่าราคาปัญหาพอแล้วกันมันไม่เคยไว้หน้าใครว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นเนนเป็นเปรตเป็นผีหรือเป็นเทวบุตรเทวทีดามันเป็นนายเสียทางนั้นไม่เคยยอมเป็นบอยใครอย่างง่ายๆเลยจึงไม่ได้นิยมว่าเป็นใครที่มันจะเป็นนายและบังคับไม่ได้มันบังคับได้ทางนั้น ฉนั้นผู้หญิงหรือผู้ชายก็าตามจึงมีทางเป็นได้ด้วยกันแต่ที่ผมพูดนี้ก็พูดตามเรื่องที่ปราโฏตังหากมิได้ต่างใจตำหนิว่าผู้หญิงไม่ดีถ้าผู้ชายไม่ดีหรือไปปรากฏแก่หญิงหรือแก่นักภาวนาหญิงเข้าบ้านเขาก็จำต้องพูดทํานองเดียวกันใครจะว่าเราหรือเขาพูดเป็นเชิงตำหนิติเตียนวิญญาณหญิงหรือวิญญาณชายก็สุดแต่ผู้คิดผู้จะคิดซึ่งห้ามไม่ได้อันราคตังหานี้ เราไม่ควรไปสนใจกับพวกเปรตผีหรืออะไรให้เสียเวลาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มนุษย์เรานี่สีตัวเก่งและเก่งพอๆกันทั้งหญิงทั้งชายด้วยแม้ไม่แสดงออกภายนอกก็เก่งอยู่ภายในอยู่นั่นเองเช่นทุกวันนี้กับแต่สมัยผมเป็นเด็กเป็นหนุ่มผิดกันมากราวฟ้ากับดินเลยท่านดูเอาก็แล้วกันอย่าให้ต้องพูดต้องบอกทั้งภายนอกภายในเพราะมันเกลื่อนไปด้วยกัน ไปด้วยเรื่องอันนี้ทั้งนั้นแทบโลกจะเป็นไฟยอยู่แล้วเพราะเจ้าตัวนี้นำหน้ากล้าอวดรวดลายของมันและก็ต่างคนต่างมีต่างคนต่างอวดโลกจิงร้อนขึ้นทุกวันเพราะไม่มีอะไรเป็นความดีความชอบจากการอวดเจ้าตัวนี้ปกติมันก็เป็นเหมือนวัตถุเครื่องทำลายสังหางอยู่แล้วเมื่อใครคิดสนุกขนองประยกยอมันขึ้นว่าดีและนาออกอวดโลกที่ทางคนต่างมีมันต้อง แข็งฤทธิ์ให้โลกแต่คลายได้โดยไม่ต้องสงสัยลองดูสิถ้าไม่เชื่อว่าเป็นความจริงต้องเห็นฤทธิ์เดชของมันประจักษ์แน่นอนไม่ต้องพูดไปมากและกว้างขวางเพียงสิ่งนี้มีอยู่ในหัวใจของใครมากน้อยก็แสดงออกให้เห็นความไม่ดีจนได้อยู่แล้วจําเป็นอะไรที่จะส่งเสริมให้มันเจริญเติบโตมีอานาจมากยิ่งกว่าภูผาป่าไม้ที่จะทําลายตัวเองและโลกให้ฉิตภายเล่าฉะนั้นปราท่านจึงสอนให้ระวัง และระ ง, งับดับมันอย่างน้อยก็พอมีความสง บ, บเย็นใจในกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งพอมีทางหายใจได้บ้างหากท่านถามผมก็พูดให้ฟังตามเรื่องอย่าหาว่าผมจะมีตีเตียนใครแม้ตัวผมเองก็เคยกับเจ้าตัวยุแย่ก่อกวนนี้มาพอแล้วจนไม่สงสัยว่าเจ้าตัวนี้จะพาเราไปสวยสุขมหาศาลที่ไหนอีกนอกจากมันกระซิบกระซาบและฉุดลากเราลงน โรคอเวจีทั้งเป็นอยู่ทุกวันเวลาเท่านั้นอย่าสงสัยว่ามันจะพาไปสู่สันติธรรมอันเป็นความสงบเย็นใจที่ไหนเลยถ้าจะเห็นโทษของมันก็ควรเห็นเพราะในตัวมันก็คือตัวโทษล้วนๆอยู่แล้วและก็อยู่กับหัวใจเราทุกคนอีกด้วยจะสงสัยมันว่าเป็นอะไรอีกท่านว่าพวกผีพวกเทพมีมารยาทางราคะตัณหามากเช่นมนุษย์เรานี่เองแต่ไม่ได้มีทุกรายไป ผู้เด่นจนแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนก็มีเช่นมนุษย์ผู้หนักในทางนี้บางทีเทพยังแสดงมารยาและจะจับเอาท่านทั้งเป็นก็มีโดยบอกว่ารักท่านมาท่านต้องชี้แจงให้เขาฟังจนเป็นที่เขาใจแล้วเขาก็หยุดไม่ทำต่อไปแตก่ก็พอจับมาเป็นข้อคิดได้นึกว่าคนละภพละภูมิจะไม่มีความรักใครใ่ใยดีต่อกันในทางอารมณ์ได้แต่ก็ยังแสดงให้เห็นได้ว่าราคะตัณหานั้น ไม่เลือกหนาคบได้ทั้งนั้นตามแต่โอกาสและกรณีขณะนั้นกายหยาบเราไม่ปรากฏในความรู้สึกคงจะเป็นกายทิพย์ในความรู้ความเห็นและความรู้สึกของเทพก็เป็นได้จึงทําให้เกิดอะไรขึ้นในใจเทวดาถึงกับแสดงความรักออกมาอย่างเปิดเผยไม่กระดากอ้ายยิ่งกว่ามนุษย์ผู้ดีมีความละอายประจำนิสัยอีกเรื่องทํานองนี้ในวงปฏิบัติมักปรากฏเสมอแต่ท่านไม่ยอมเล่าให้คัด ให้ใครฟังง่ายๆนอกจากพวกเดียวกันรู้นิสัยกันดีไว้ใจกันได้หรือรู้ในทางเดียวกันท่านจึงพูดบางท่านที่ไปอยู่ในเขาลึกมักมีเทวดามาคอยอารักขาอยู่แถวใกล้เคียงโดยไม่มีใครสามารถรู้เห็นได้นอกจากพระองค์ที่เทวดามีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเท่านั้นจะรู้ได้แต่ไม่ได้มาแสดงอาการเสียหายแบบโลกที่เป็นกายหยาบเขามาด้วยความหวังดี รบเลื่อมใสหวังบุญหวังคุณกับท่านจริงๆบางครั้งท่านอดอาหารหลายวันร่างกายอ่อนเพลียไม่ค่อยมีกำลังส่วนใจมีความเข้มแข็งและผ่องใสเทวดาเห็นแล้วเกิดความสงสารท่านอยากจะให้ท่านมีกำลังทางกายจึงขออนุญาตปฏิบัติรักษาท่านด้วยอาหารทิพอาหารทิพตในความรู้สึกของพระนั้นขณะมองเห็นในมือของเทวดาที่ถือมานั้น เป็นเหมือนดินสีพองสีขาวจางๆไม่ขาวจริงหนึ่งผ้าขาวสิ่งนั้นแหละที่เทวดาบอกกับท่านว่าเป็นอาหารทิพย์ของถวยเทพทั้งหลายเทวดาผู้นำมานั้นมาขออนุญาตท่านเอาอาหารทิพย์นั้นถูไปตามร่างกายท่านแต่เพียงเบาๆเพื่อโอชารสของอาหารทิพย์จะได้ซึมซาบเข้าสู่ร่างกายส่วนต่างๆโดยรวดเร็วและมีกาลังเช่นเดียวกับรับประทานอาหารทั่วๆไปหรือยิ่งกว่านั้น พระท่านไม่อาจอนุญาตกลัวเป็นอาบัติเพราะตะวันก็บ่ายแล้วเทวดาก็เป็นเพศหญิงและมาเพียงคนเดียวเพื่อบัรดอนมีคนมาเห็นเข้าอย่างน้อยก็ตำหนิแม้ไม่มีความเสียหายในทางพระวินยัยมากกว่านั้นเขาอ่าจเข้าใจว่าเป็นความจริงและตำหนิติเกณฑ์แบบโลกโลกว่าพระขับผู้หญิงอยู่ในการสองต่อสองในถ้านในเขาปลเปลี่ย ว, ยวไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนแม้คนเดียวเทวดาซึ่งเป็นกายทิพ จะกลายเป็นเรื่องหญิงผู้ก่อกรรมทำเข็นกับพระขึ้นมาเรื่องก็จะไปกันใหญ่และกลายเป็นความเสื่อมเสียไปมากมายซึ่งความจริงก็ไม่มีอะไรต่างคนต่างบริสุทธิ์โดยปกติด้วยเหตุผลที่อ้างนี้ท่านจึงไม่ยอมให้เทวดามาแตะต้องกายไม่เชียงจะนําอาหารทิพมาถูกายเลยเทวดาจึงขอยืนยันตัวเองต่อท่านว่าจะไม่ทาอะไรท่านเสียหายเพราะการมาเกี่ยวข้องของเทวดาแม้แต่น้อย เพราะกายเทวดาก็เป็นกายทิพย์อาหารที่นำมาบำรุงก็เป็นอาหารทิพย์ไม่มีส่วนใดที่จะกระเทือนถึงพระวินัยและองค์ท่านให้เสียไปที่มองเห็นนี้ก็ใจทิพย์มองเห็นกายทิพย์และใจทิพย์มองเห็นอาหารทิพย์ที่ฟังการสนทนากันอยู่เวลานี้ก็เป็นหูทิพย์ฟังเสียงทิพย์มิได้เกี่ยวกับกายหยาบตาเนื้อหูหนังแต่อย่างใดพอจะขัดข้องแก่ท่านและวินัยเลยการมาของเทวดาก็เพื่ออุปถากบารุง หวังบุญหวังกุศลกับท่านผู้มีความหนักแน่นและมุ่งมั่นต่อทำอย่างยิ่งมิได้มาเพื่อทำลายท่านและพระาศาสนาให้เสียหายขอท่านจงเห็นใจและอนุญาตเมตตาให้เทวดาได้มีส่วนกุศลที่ควรจะได้จากท่านบ้างเถิดอย่าได้สลัดปัดทิ้งเทวดาผู้หวังบุญเพื่อเป็นปัจจัยต่อเติมเสริมพกชาติให้เจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันและอนาคตให้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจากกุศลที่ควรจะไดนี้เลย พระพูดกับเทวดาว่าขณะที่เทวดามาอยู่กับอาตมาอาตมาหลับตาลงก็มองเห็นเทวดาลืมตาขึ้นมาก็มองเห็นเทวดาเพื่อคนอื่นเขามีตาไม่ใช่คนตาบอดไม่เห็นเราสองคนเข้าที่นั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้จะว่าอย่างไรจะเป็นความ ง, งามตามจารีตของผู้หญิงซึ่งอยู่ด้วยกันสองต่อสองไหมล่ะขอจงคิดให้ดีก่อนจะทําอะไรลงไป <c oughs> เทวดาตอบท่านว่า ที่เห็นนี้เป็นใจท่านและตาท่านผู้มีธรรมคือมีสมาธิมียานสามารถมองเห็นได้อย่างถนัดชัดเจนแม้ตาเนื้อท่านมองเห็นก็เป็นมาจากยานภายในสนับสนุนจึงทำให้เห็นได้ราวกับตาเนื้อมองเห็นจริงๆความจริงก็คือตาในท่านต่างหากทำให้ตาเนื้อมองเห็นไปด้วยถ้าท่านไม่มียานภายในเป็นพื้นฐานอยู่แล้วท่านจะไม่สามารถมองเห็นกายทิพย์ของเทวดาได้เลย เพื่อความแน่ใจที่ท่านจะไม่ต้องระแวงสงสัยว่าจะมีใครมาสอดรู้สอดเห็นเทวดาที่มานั่งอยู่กับท่านเทวดาจะรับรองยืนยันว่านอกจากท่านเพียงองค์เดียวแล้วคนอื่นแม้ร้อยๆพั น, พ, นพันคนหรือมากกว่านั้นมาที่นี่ก็จะไม่ให้มองเห็นเทวดาได้เลยแม้เพียงคนเดียวเทวดามีอำนาจพอจะปิดกั้นสายตาคนธรรมดาได้โดยไม่ลำบากเลยเว้นแต่ท่านผู้มีธรรมและมียานอย่างทราบ เทวดาเคารพและปิดกั้นไม่ได้อีกประการหนึ่งเทวดามิใช่ผู้วิเศษวิโสมาจากที่ไหนแต่ก็มาจากแดนมนุษย์ผู้รักศีลรักธรรมยินดีในการทำบุญสุนทานประจำนิสัยนั่นแหละเมื่อมาพบเห็นท่านผู้ปฏิบัติ ด, ดีก็เลื่อมสายศรัทธาอยากบ่มรงจะได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นบุญกุศลและเป็นนิสัยปัจจัยแก่ตัวเพียงนั้นท่านจึงควรเห็นใจและเมตตาอนุเคราะห์ให้ทาในสิ่งที่ควรทาได้ สิ่งใดที่ผิดวิสัยของสมณะเทวดาจะไม่หารทมเพราะดีและชั่วก็ออกจากกรรมคือการทาของตัวเองเทวดาเข้าใจและเคารพไม่ฝ่าฝืนแต่สิ่งที่อาราธนาวิงบอลขอความเมตตาอนุเคราะห์อยู่เวลานี้เป็นเรื่องของธรรมล้วนๆไม่มีเรื่องพระวินัยและเรื่องโลกเข้ามาเจือปนเลยเช่นเดียวกับที่ท่านเคยแสดงธรรมแก่เทวดามาแล้วจะมีคนเดียวหรือกี่คนก็ไม่ขัดข้องทางพระธรรมวินัยฉะนั้น ขณะเทวดากับพระองค์นี้กำลังโต ว, วาทีกันอยู่นั้นเป็นเวลาที่อยู่ในสมาธิภาวนามิได้เป็นเวลาปกติธรรมดาแต่ที่ท่านพูดกับเทวดาว่าเทวดามานั่งอยู่กับอาตมาอาตมาหลับตาก็มองเห็นเทวดาลืมตาก็เห็นเทวดานั้นเป็นการสถานที่และอิรยาบททั่วไปที่ท่านพอรู้ได้เห็นได้ตามวิสัยฉะนั้นที่เทวดาอ้างเหตุผลเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่าน จึงน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ควรทำได้เพราะเป็นเรื่องของใจล้วนๆที่ในสมาธิภาวนาแต่ที่พระท่านถามเทวดายอกย้อนไปมาก็เป็นการแสดงออกทางสมาธิโดยทามิได้เกี่ยวกับจะเป็นอาบัตเพราะความฝาฝืนพระวินัยด้วยคุรยาที่ทำโดยทางสมาธิสมาบัติขณะท่านทาสมาธิของบ่ายวันนั้นปรากฏว่าเทวดาเอาอาหารทิพมัททร่างกายท่านจริงๆกายที่เทวดามาถูก็เป็นกายในสมาธิ ไม่ได้เป็นกายธรรมดาความรู้สึกทางสมาธิขณะเทวดานำอาหารที่พันถูกายปรากฏว่าเบามากผิดธรรมดาเมื่อออกจากสมาธิแล้วร่างกายรู้สึกเบาหวิวและมีกำลังผิดปกติลรากลับได้ฉันจังหันในวันนั้นท่านองค์นี้ว่าเวลาปกติในบางวันก็มองเห็นเทวดาได้ไม่เพียงต้องเข้าสมาธิแล้วจึงจะรู้จะเห็นดังนี้ แต่การเห็นเทวดาด้วยสมาธิหรือด้วยตาเนื้อของผู้เริ่มฝึกหัดภาวนาใหม่ๆย่อมมีทางหลอกลวงตัวเองได้ไม่จริงเสมอไปฉะนั้นแม้ผู้มีนิสัยในทางนี้และอาจรู้เห็นอะไรต่างๆได้ก็าตามอาจารย์ต้องคอยกำชับกำชาไว้เสมอยังไม่ปล่อยให้ออกครูตามนิสัยต้องรอไปจนกว่าสมาธิมีความชำนาญในการเข้าการออกและเข้าใจวิธีปฏิบัติต่อสิ่งรู้เห็นต่างๆว่าอะไรจริงอะไรปลอมพอควรแล้ว ถึงการเวลาที่ควรปล่อยก็ปล่อยบ้างแต่ไม่ใช่ปล่อยแบบปล่อยตัวไปด้วยโดยไม่คํานึงสิ่งผิดถูกชั่วดีที่มาเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทนั้นผู้เห็นเทวดาแบบหลอกตนนี้ย่อมมีแทรกอยู่ในวงคณะปฏิบัติเช่นกันแต่ถ้าผู้นั้นมีความมุ่งมั่นในธรรมไม่เพเยยะเย่อะยิ่งในความรู้ที่ถือว่าพิเศษของตนและไม่หลงไปตามสิ่งที่รู้เห็นก็แก้ได้ไม่ยากนะัก สำคัญที่ผู้มีนิสายชอบพองๆอยู่บ้างแล้วพอเจอสิ่งต่างๆนั้นกล่าวเข้าหน้ากลัวเป็นโรคเรื้อรังไม่สนใจตัวยาเอาเลยนอกจากจะพยายามแพร่เชื้อให้ระบาดลุกลามออกไปป่อความเสียหายแก่ผู้อื่นที่ไม่รู้ไม่เข้าใจในวิธีการวิธีกล น, นี้เท่านั้นจึงเป็นโรคชนิดที่น่าระวังอยู่มากผู้เขียนไม่ใช่นักรู้นักเห็นเทวบรเทวทิดาเปรผีอะไรเลยก็ตามแต่ถ้า มีผู้มาคุยเรื่องทนานองนี้ให้ฟังแบบเรืือลังลุกลามไม่มีพวงมาลัยและเบรกกําขับอยู่บ้างก็ขยาดครั่นคล้าเหมือนกันเพราะปากติเราก็อาจมีโรคพนันนี้ติดนิสัยสันดานอยู่แล้วพอได้เชื้อเพิ่มเข้าไปก็กลัวทางโรงพยาบาลของโรคชนิดนี้ไม่ยอมรับเข้าเป็นคนไข้ยิ่งจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่เพื่อกันโรคนี้อย่างได้ผลคือขอให้ผู้เป็นอาจารย์เป็นผู้เข้าใจในทางนี้ และทางสมาธิปัญญาอื่นๆมาด้วยดีเถิดเพียงผู้ใดก็ตามมาพูดแยบเรื่องธนองนี้ขึ้นต้องรู้ทันทีว่าเป็นความจริงหรือปลอมและสามารถชี้แจงแก้ไขได้ทันทีถ้าผู้นั้นสนใจฟังเพื่ออัดเพื่อทำจริงๆก็ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามท่านไม่มีทางเสียหายที่น่ากลัวก็คือเมื่ออะไรผ่านเข้ามาก็กว้าเอามาเป็นสมบัติและเป็นของจริงเสียสิ้นโดยไม่คานึงว่าผิดหรือถูกประการใดบ้างของจริงประเภทนี้ จึงมีทางกอ่อความกระเทือนและเสียหายแก่ตนและผู้อื่นได้อย่างไม่มีขอบเขตเพราะเป็นของจริงที่น่ากลัวยามยิ่งสำหรับท่านที่เคยผ่านมาแล้วนักภาวนาจึงควรระวังด้วยสติปัญญาด้วยดีอย่าให้ของจริงประเภทนี้เกิดขึ้นได้จัดว่าเป็นผู้รู้รอบคอบต่อการดำเนินเป็นสิริมงคลแก่ตนและวงพระศาสนาท่านที่มีเทวดามาอาราขาท่านเล่าหนาฟัง ผู้เขียนรู้สึกเพลินไปกับท่านเวลานั้นท่านไปพักภาวนาอยู่กับพวกชาวไร่ซึ่งมีเพียงสองสามครอบครัวเ ว, ว้นสีห้าวันท่านไปบิณฑบาตกับเขามาชัน ห, หนึ่งแล้วก็หยุดไปเรื่อยๆแต่การภาวนารู้สึกดื่มดำคื่บหน้าไม่มีถอยนั่งสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนส่วนผลที่ได้รับคล้ายคลึงกันแต่เวลากลางวันรู้สึกร้อนบ้างผิดกับกลางคืนที่อากาศเย็นสบายจิตก็ลงได้สนิทเต็มฐานของสมาธิ และลงได้ครั้งละหลายๆชั่วโมงกว่าจะถอนขึ้นมาท่านึกสงสารเทวดาจะก้อนรับเขาจึงถอนจิตออกมาดูบ้างตอนดึกๆใครเห็นเขามาก็ตอนรับเสียบ้างเสร็จแล้วย้อนจิตเข้าสู่สมาธิตามอัธยาศัยจนกว่าถึงเวลาค่อยถอนขึ้นมาจากนั้นก็พิจารณาภาคปัญญาต่อไปจนเรื่องจะยุติลงรวมเวลาเข้าสมาธิแล้วแต่ละครั้งถ้าเป็นกลางคืนก็สี่ห้าชั่วโมง กลางวันราวสองหรือสามสี่ชั่วโมงและเดินจงกรมต่อไปหลังจากทำสมาธิแล้วทำอย่างนี้เป็นประจำไม่ค่อยสนใจกับวเวลาเวลายิ่งกว่าความเพียรที่กำลังเป็นไปอยู่ในธรรมทั้งหลายท่านว่าอาหารจะฉานหรือไม่ก็ไม่ได้เกิดความหิวโหวยจะมีบ้างเพียงส่วนร่างกายเล็กน้อยไม่ถึงกับรบกวนให้วุ่นวายไปตามที่เทวดาว่าหิวนั้นเป็นเรื่องของเทวดาต่างหาก องท่านเองไม่ได้เป็นอารมณ์กับความหิวโหยอะไรเลยเพราะเพลินในธรรมที่สัมผัสใจยอยู่ตลอดเวลาอันเป็นโอชารสที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าอาหารอื่นใดส่วนเทวดาท่านว่าเวลากลางวันบางครั้งมองไปเห็นนั่งพัะเพียรียบร้อยคอยดูแลท่านอยู่บนก้อนหินห่างกันประมาณเส้นสองเส้นบางครั้งกลางวันเนียบเทวดายังลงมาหาท่าน ดังวันมาขออนุญาตเอาอาหารทิพมาถูร่างกายท่านเป็นต้นบางครั้งมองเห็นเทวดาที่มานั่งดูด้วยห่างกันประมาณสองวาอย่างชัดเจนรากับเห็นด้วยตาด้วยจริงๆลืมตาขึ้นมาก็ยังเห็นชัดเช่นเดียวกับหลับตาขณะนั้นจิตเสืงอมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งไม่น่าจะมองเห็นได้ปกติของจิตที่ควรรับแขกจำพวกกายทิพต้องขยับลงกว่านั่นบ้างบางครั้งรู้สึกกระดาษี่กล ถึงกับต้องถามเทวดาว่านี่เทวดานิระมิตกายให้ยาบเหมือนกายมนุษย์หรือจึงมองเห็นได้ชัดเจนทั้งตาใจทั้งตาเนื้อเหมือนมองเห็นสิ่งต่งตางๆเทวดาบอกท่านว่าเทวดาจะทําให้กายละเอียดก็ได้หยาบก็ได้ไม่ลําบากยากเย็นอะไรเลยขณะนี้เทวดานิระมิตกายหยาบหรือกายละเอียดท่านถามนิรมิตเป็นกายหยาบเขาบอกท่านก็เวลามีคนมาที่นี่มองเห็นเข้าจะทําอย่างไร ท่านถามก็ทําให้เห็นเฉพาะท่านเพียงองค์เดียวเท่านั้นดังได้เล่าถวายแล้วอย่างไรเล่าท่านไม่ต้องกลัวเทวดาบอกท่านแต่การสนทนากันมิได้สนทนาด้วยปากแต่สนทนาทางใจล้วนๆเทวดายังสามารถรู้บุคคลนิวาสได้เช่นเดียวกับพระที่ท่านมีนิสัยในทางนี้ดังเทวดาองค์นี้เล่าบุคคลนิวาสให้พระท่านฟังอย่างละเอียดละอวว่าเคยประพฤติตนมาอย่างไรบ้างในอดีต แต่ขอผ่านไปทั้งที่เสียดายเพราะผู้เขียนไม่สามารถจำได้ทุกแง่ทุกกระทงที่นำมาลงบ้างก็เพื่อท่านผู้อ่านได้พิจารณาว่าจิต ด, ดวงที่เข้าสวมร่างนั่นร่างนี้อยู่ตลอดทศตลอดชาติไม่มีเวลาหยุดยัางนั้นได้หมุนตัวไปอย่างไรทั้งที่บางรายก็ปฏิเสธว่าตายแล้วสูญการสูญกับความจริงที่ไม่สูญและค้านกันอยู่ในบุคคลคนเดียวนั้น ฝ่าย ไ, ไหนจะเป็นผู้ยอมรับผลและรับความจริงที่เป็นของตายตัวนั้นนอกจากผู้ปฏิเสธกับผู้ยอมรับความจริงแล้วไม่มีผู้ใดจะเป็นผู้รับผลคือการเกิดตายต้องเป็นหน้าที่ของสัตว์โลกเป็นกันเองสุขและทุขที่มีในระหว่างแห่งภพชาตินั้ น, น, นก็เป็นหน้าที่ของผู้เกิดตายรับเองไม่ใช่คำปฏิเสธว่าตายสูญและตายเกิดเป็นผู้รับผลแทนพอจะมีแก่ใจปฏิเสธอย่างสบาย โดยไม่คำนึงถึงความจริงว่าเป็นอย่างไรคันแน่การวมเพ็ญทางจิตตะพรนาเป็นทางจะรู้เรื่องของตัวเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดกับการตายที่มีอยู่กับตัวได้ดีเยี่ยมกว่าวิธีพิสูจน์อื่นใดที่ทำให้เสียเวลาไปเปล่าไม่พบความจริงเป็นเครื่องยับยั้งใจไม่ให้คิดขนองไฟต่างๆไม่เข้าเรื่องเข้าราวโดยหาความจริงไม่ได้ตัวที่ถูกยอมรับว่าตายและเกิดอีกก็คือใจ ที่ถูกปฏิเสธว่าตายแล้วศูนย์ก็คือใจซึ่งเป็นสิ่งลึกลับผิดสิ่งทั้งหลายที่ควรพิสูจน์ได้ด้วยกิจตภาวนาเท่านั้นอันเป็นการพิสูจน์อย่างเยี่ยมและเห็นผลจากความจริงได้อย่างแน่นอนข้อสําคัญขอให้จิตอย่างลงถึงฐานเดิมของตนเป็นลําดับไปอย่างไรต้องทราบเรื่องของตัวแน่นอนทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายทั้งเรื่องไม่เกิดไม่ตายซึ่งอยู่ในใจดวงเดียวกันทั้งเรื่องตายและศูนย์ว่าไม่ปรากฏมีอยู่ในใจดวงท่องเที่ยวนี้เลย แม้ในธรรมท่านก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตายแล้วสูญมีอยู่ในใจดวงนี้เวลาทําจิตตภาวนาไปก็ไม่เคยเจอว่าจิตตายแล้วสูญถ้าเจอก็เจอแต่เรื่องตายกับเกิดเท่านั้นถ้าจิตรู้ตัวอย่างเต็มที่แล้วก็เจอเอาความไม่เกิดไม่ตายในจิตนั่นไปเสียไม่เคยเจอความตายแล้วสูญเลยดังที่ขยันปฏิเสธกันในพวกเราผู้ไม่สนใจปัญหาเหตุที่มีอยู่กับตนและประกาศตัวอย่างเปิดเผยอยู่ตลอดเวลานี้ ข้อสำคัญท่าใจซึ่งเป็นตัวการไม่ยอมพิจารณาตามสาเหตุที่ควรรับทราบจากตัวเองแล้วแม้จะมีใครสักกี่ร้อยหีพันคนมาบอกความจริงซึ่งเป็นสมบัติของผู้นั้นค้นพบเองก็ไม่มีทางทําให้เขายอมรับเพื่อถือเอาความจริงนั้นมาปรับปรุงแก้ไขตนให้เป็นคนมีเหตุมีผลและถือเอาประโยชน์ขึ้นมาได้สุดท้ายก็คงเป็นผู้เกิดและตายท้าทายตัวเองอยู่ร่ำไปไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เดียวกับคนไข้หนะักที่ไม่สนใจคิดเรื่องของตัวมากไปกว่าความสนใจคิดเรื่องห้องในโรงพยาบาลเรื่องยุกยาเรื่องหมอและเรื่องนางพยาบาลว่าไม่ดีไม่ถูกใจตัวเองแล้วบ่นและร้องโคลนครางอย่างไม่มีขอบเขตให้คนอื่นรำคาญด้วยทั้งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นได้นําเรื่องพระที่มีเทวดามาเยี่ยมและเล่าถึงบุคคลนี้ว่าท่านให้ฟัง ผู้เขียนได้นำมาประกอบกับเรื่องตายเกิดและตายส่วนพอเป็นเครื่องพิสูจน์แก่พวกเราที่ยังตกอยู่ในวงแห่งปัญหาทั้งสองนั้นจะควรพิสูจน์ตัวเองจบลงจากนี้จะเริ่มลำดับเรื่องต่อไปการปฏิบัติของพระสุลงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นโดยมากท่านชอบอยู่ในป่านในเขาดังกล่าวมาเพื่อหลีเกเว้นอยู่สบายในการบาเพ็ญสมณธรรมตามเวลาต้องการ ไม่ทำเวลาให้เสียไปด้วยกิจอื่นๆที่ไม่จําเป็นการก่อสร้างท่านถือเป็นค่าเสกกริแก่ธรมนธรรมดังที่ท่านแสดงไว้ในมหาขันธกวินยัยเกี่ยวแก่การบาเพ็ญของพระผู้เริ่มต้นฝึกหัดใหม่ซึ่งยังไม่มีหลักจิตภูมิใจท่านสอนให้หลาปลีกปลีด์ตัวหาอยู่ในที่สงัดเช่นไม่ควรอยู่ในที่ใกล้ท่าน้ําที่ผู้คนหญิงชายจอแจไม่ควรอยู่ในสํานักที่กําลังก่อสร้างหรือซ่อมแซมเป็นต้น คิดดูเพียงบาดแผลเล็กๆที่ควจะหายได้โดยยาในเวลาไม่นานแต่เมื่อถูกกระทบกระเทือนจากสิ่งต่างๆอยู่เสมอก็ย่อมกำเริบได้ทั้งที่รักษาอยู่ใจก็ยังเป็นเหมือนแผลซึ่งต้องการการรักษาและมีทางกำเริบได้จากสิ่งต่างๆสัมผัสสัมพันธ์อยู่เสมอเช่นกันไม่ว่าจิตที่เพิ่งเริ่มฝึกหัดหรือฝึกหัดมานานแต่ยังไม่ได้หลักเกณฑ์ที่พอไว้ใจได้หรือไว้ใจได้อย่างเต็มภูมิแล้ว ย่อมมีทางกาเริบได้เช่นเดียวกับแผลใหม่และแผลเก่านั่นแหลถ้าไม่ระวังรักษาฉะนั้นการระวังรักษาจึงเป็นความไม่ประมาททั้งผู้เริ่มฝึกหัดและผู้ฝึกหัดมานานแล้วจะถือว่าตนเป็นกรรมฐานเก่าอบรมนานเข้าไหนเข้าได้อย่างนั้นไม่ได้เป็นความประมาท ร, รู้จะมีใครมาว่าประมาทจนด้านก็น่าจะจริงคาเขาเพราะเพียงการฝึกเก่า หรือใหม่ไม่สําคัญเท่าความเป็นหลักฐานมั่นคงของใจนั่นเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมที่ประธานไว้ฉะนั้นในสมัยปัจจุบันท่านอาจารย์มั่นจึงสอนบรรดาศิษย์เน้นหนักในทางความเกี่ยวกับสถานที่สงัดสําหรับพระธุดงสายของท่านและไม่สอนให้เป็นอาจารย์ใครก่อนสอนให้เป็นอาจารย์ตนในอันดับแรกเพื่อใจจะได้มีหลักฐานมั่นคงจนสามารถรักษาตัวได้ไปที่ไหนไม่มีภัยแก่ตนและผู้อื่น ส่วนประโยชน์เพื่อผู้อื่นจึงคว่ำตา ม, มาเองเมื่อนักปฏิบัติผู้นั้นมีภูมิจิตภูมิธรรมเท่าที่ควรหรือสมบูรณ์เต็มที่แล้วเริ่มแรกท่านต้งสอนเพื่อตอนก่อนอื่นคล้ายกับจะมาให้มองดูหน้าใครเลยนอกจากมองดูความผิดถูกชั่วดีของตอนเท่านั้นทางสอนให้ระวังสิ่งธรรมากิตใจโดยทางอ้อมคือเรื่องก่อความยุ่งยากหรือเครื่องกัลใสตนด้วยการจัดนั้นสร้างนี้อันเป็นงานของโลกเขาทากัน ม่ใช่งานสำคัญของพระตุดธผู้มุ่งความหลุดพ้นในขั้นดำเนินและสอนให้สนใจภาวนาดูกิเลสความฟุ้งเฟอ้อของตัวมากกว่าการเสริมมันด้วยการหาพระหยาบหยาบมาเที่ยวคล่องวุ่นวายจนกลายเป็นยาเสพติดขึ้นมาในใจไม่ได้จัดนั้นสร้างนี้อยู่ไม่ได้เพราะกิเลสรบกวนต้องพามันเที่ยวด้วยทากิจนั้นงานนี้พอเป็นอารมณ์เครื่องอาศัยไปชั่วคราวเสร็จแล้วก็โวรอีกและโวรอีก จนต้องพามันเที่ยวประจําแก้ไม่ตกทีแรกก็คิดว่าทําเพื่อแก้รําคาญไม่ได้ทําอยู่ไม่ได้สุดท้ายเลยหนักเข้าจนกลายเป็นเพิ่มรําคาญกลายเป็นเรื่องกวนทั้งตนและผู้อื่นให้ขุนเป็นตสมเป็นโคนเป็นตามๆกันเพราะนะักปฏิบัติยึดทางนี้เป็นทางเดินของการแก้กิเลสและความสงบสุขของตนและบ้านเมืองกิเลสจึงได้ใจอยากให้พามันเที่ยวแบบนี้จนไม่มีเวลาพักผ่อนยอนใจเข้าสู่ความสงบเลยยิ่งดี วงปฏิบัติจะได้ไม่มีข้อวัดปฏิบัติที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เหลืออยู่ขณะท่านเน้นทำลงอย่างถึงใจท่านเองรู้สึกน่ากลัวมากเพราะไม่ถึงใจเราที่ชอบในทาง ต, ตรงข้ามกับท่านเช่นท่านเน้นลงว่าเอานักปฏิบัติคนใดอยากแซงไอ้เท่าภูงอกเข า, าเท่าเต่าปลาก็แซงไปเมื่อได้ทำดงเลิศมาด้วยวิธีนั้นพอขอนิมณ์มาโปรดไอ้เท่าบ้างพอได้เห็นฟ้าหเห็นดินกับเขาบ้างไอ้เท่าหยุด อยู่แต่ในปากภาวนาแบบหลับหูหลับตามาันจะมองดูเดือนดาวและโลกสงสารว่าจเจริญรุ่งเรืองไปอย่างไรบ้างผู้ทําการความจเจริญเข้าหน้าแบบทันสมัยก็จงเอาแบบทันสมัยมาใช้พิกษจน์เท่ามันมีปัญญาหาแบบทันสมัยมาใช้ก็เอาแบบทุก ด, ดงงวัดเก่าแก่ที่พระเจ้าประทานให้มาใช้ไปตามภาษาของตนแต่ใครๆก็ชอบมายุ่งมากวุ่นอยู่ไม่ไวายไม่ให้อยู่สบายได้พอชั่วขณะบ้างเลยเมื่อมาแล้ว แทนที่จะใช้สติปัญญาสอสองมองข่อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องยึดจนดำเนินตามแต่กลับเป็นพระสมัยเดินทางรัดตัดกิเลส ด, ด้วยกิจนันนานี้เพื่ออวดโลกว่าตนมีความสามารถวาสนานั่นหรือวาสนาเห็นแต่กิเลสมันร้อยรัดเอาจนหาเวลาอยู่สงุกสุขไม่ได้แม้แต่ขณะเดียวมีแต่อารมณ์ฉุดลากไปตรอกนั่นซอยนี้จนค้นไม่ติดพื้นนั่นหรือวาสนาของพระปฏิบัติผมโง่ ไม่ทราบว่าวาสนาเป็นอย่างไรและการส่งเสริมวาสนาที่ถูกทางของพระปฏิบัติส่งเสริมอย่างไรก็งานของผู้ปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดตนกับงานทั่วไปนั้นมันผิดการเพียงไรทำามจริงชอบยุ่งเหมืเขาเรื่องเขาเราวเพียงผมยังมีชีวิตอยู่ก็เห็นเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเวลาผมตายไปแล้วจะเป็นอย่างไรแม้จะโง่แสนโง่ก็พอทราบได้จากพฤติการที่กําลังเป็นไปอยู่ในวงปฏิบัติเวลานี้ประการหนึ่ง พอออกไปจากที่นี่แล้วก็จะเที่ยวพูดอวดโลกเขาว่าตนเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นอย่างไม่มีเวลางับปากจนเขาเบื่อจะฟังนั่นสิที่สําคัญตอนหนึ่งที่นี่อาจารย์มั่นเป็นพระอภปปาแต่ลูกศิษย์อาจารย์มั่นโดยมากเป็นพระที่ทันสมัยนั่นสิตอนมันจะเน่า เ, เปืไปหมดด้วยศิษย์อาจารย์มั่นประกาศขายผมจึงวิจกกับพระปฏิบัติเราที่จะแสดงตัวแข็งๆออกนอกลู่นอกทาง โดยอ้างเอาครูอาจารย์เป็นสินค้าหน้าร้านขายกินประการหนึ่งก็ทําให้ประชาชนลงเชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ท่านแต่ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นประเภทกาฝากคอยดูดเลือดท่านและประชาชนอย่างลึกๆประการที่สองก็ทําให้เขาเอือมระอาในการประกาศตนการกระทําและการรบกวนต่างๆที่ไม่มีประมาณซึ่งล้วนเป็นเรื่องทําลายตนทําลายครูอาจารย์ทําลายวงปฏิบัติและพระาศาสนาให้เสียหายไปด้วยทั้งสิน้น นีม่มิที่เคยปรกากฏขณะภาวนาว่ามีพระพิ้งแสงหน้าแสงหลังไปซึ่งเป็นการสอรแสดงถึงความเก่งกล้าหน้าด้านของพระพระปฏิบัติผู้ม่มีฮิริอดตะปะทำในใจนั้นเริ่มแสดงเป็นประจักษ์พยานขึ้นมาทุกทีทั้งที่ผมยังไม่ตายตอนผมตายไปแล้วใครมีลวดลายแห่งเสือโคร่งเสือเหลืองอย่างไรที่ซุกซ่อนอยู่ภายในจะต้องนำออกแสดงอย่างเต็มวิมือโดยไม่สงสัยการขายตัวและขายครูอาจารย์ ก็เริ่มหายเล็กขายน้อยไปบ้างแล้วแต่บัดนี้ด้วยวิธีการต่างๆตามลวดลายของแต่ละคนอันเป็นการแสดงความเสียหายในอนาคตให้เห็นอย่างชัดเจนแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านเห็นว่ามีใครบ้างที่อยากเป็นคนเจงกล้าหน้าด้านไม่มียางอายแต่ขณะนี้อยู่แล้วทั้งที่อยู่กับผมเวลานี้ให้บอกมาจะได้ยกให้เป็นศาสตราจารย์ทางภาคปฏิบัติเสียแต่บัดนี้ทั้งที่ยังโง่เต็มตัวแต่อยากให้เขาชมว่า จนเป็นผู้ชลาดเต็มภูมิให้สมใจที่อยากเป็นจงแสดงตัวออกมาเดี๋ยวนี้คนเก่งหายากเราอยากพบเวลาตายแล้วจะเสียดายหมดวาสนาไม่ได้ดพบจึงขอพบขณะนี้ที่ลมหายใจยังอยู่ดังนี้นี่แหละเวลาเด็ดท่านเด็ดจริงจนผู้ฟังเหนือแตกโชคร้อนยิ่งกว่าถูกไฟส่วนผู้ฟังด้วยความสนใจต่ออัตตธรรมและมุ่งมั่นพอการปฏิบัติจริงเด็ดเท่าไรใจยิ่งหมอบยิ่งยอมยิ่งเย็น ผิดกับท่านแสดงธรรมดาเป็นไหนๆที่นำมาลงนี้เพื่อท่านผู้อ่านได้รู้เรื่องท่านทั้งฝ่ายดีฝ่ายเด็ดและอะไรต่างๆตลอดฝ่ายลูกศิษย์ทั้งหลายที่อาจมีผู้เข้าใจว่าจะดีตามท่านเปเสียทุกอย่างหรือทุกรายความจริงก็ยอมมีดีชั่วสับปนกันไปเช่นเดียวกับพ่อแม่มีลูกหลายคนซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีผสมกันไปฉะนั้นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ก็เป็นคนกิเลส อาจมีดีและมีที่ตำนิสัาปนกันไปอย่างหลีกไม่พ้นการสังเกตพิจารณาด้วยดีทุกกรณีทั้งภายในภายนอกแล้วดำเนินนั้นเป็นความรอบคอบชอบธรรมและเป็นมงคลแก่ผู้นั้นโดยเฉพาะก่อนจะเป็นมงคลแก่ท่านผู้อื่นที่พลอยได้รับบางตอนที่ท่านแสดงในวงพระปฏิบัติล้ว น, ลวนและแสดงอย่างเผ็ดร้อนซึ่งเป็นธรรมเฉพาะไม่ควรนามาลง แต่ผู้เขียนเป็นคนนิสัยไม่ดีกลับไปชอบใจที่เผ็ดๆร้อนๆมากกว่าธรรมดาเพราะถึงใจที่อยู่ลึกและไม่ชอบโทรหน้าขึ้นมารับอัดรับทำง่ายๆเวลาโทรขึ้นมารับทำบ้างแม้เผ็ดร้อนก็ยอมทนเอาจึงได้นำนามาลงไว้เพื่อท่านผู้อ่านซึ่งมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันอาจสะดุดใจนำไปคิดเพื่อประโยชน์สาหรับตัวบ้างหากเป็นการไม่สมควรก็ขออภยัยตามธรรมดา ทำก็ย่ามีทั้งลึกทั้งตื้นทั้งยากทั้งละเอียดการแสดงก็ควรจะมีลักษณะต่างๆกันไปตามลายแห่งธรรมเพื่อผู้ฟังซึ่งมีนิสัยต่างๆกันจะได้สนุกเลือกเอาตามตฤศชอบที่นำมาลงนี้ก็คิดทำนองนั้นเหมือนกันตามแต่จะเลือกติกเลือกชมเพื่อประโยชน์สำหรับท่านเองเฉพาะผู้เขียนนับว่าสุดกำลังที่อยากให้ท่านได้รับประโยชน์จากหนังสือโดยทั่วกันพวกผู้ผีย้ายครอบครัวเช่นเดียวกับมนุษย์ ขอย้อนกลับมาดำเนินเรื่องอาจารย์องค์ที่ยังค้างอยู่ต่อไปคือท่านพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่การบำเพ็ญธรรมรู้สึกสะดวกมากรู้เห็นสิ่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกมากไม้กว้างขวางผิดกับพี่ทั้งหลายอยู่มากเห็นเป็นโอกาสดีท่านจึงพักบำเพ็ญอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายเดือนการพิจารณาแจมแจ้งดีทั้งกลางวันกลางคืนอากาศก็ดีถ้ำก็อยู่เปิดเผย รับลมได้ดีตลอดเวลาจึงไม่มีปัญหากับดินฟ้าอากาศเย็นสบายสม่ำเสมอแต่ที่นั่นรู้สึกมีอะไรพิเศษอยู่บ้างทั้งภายในภายนอกเกี่ยวกับด้านสมนาธิภาวนาเวลาพิจารณาภายในใจก็สงบได้อย่างละเอียดมากเวลาออกเดินทางปัญญาก็ ค, ค, คล่องแคล่วไม่อึดอาดตาช้าอันเป็นลักษณะเกียดคาสเขาแอบแฝงท่านว่าที่นั่นเทวดามักมาเยี่ยมเสมอ หลายชั้นหลายภูมิทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่ค่อยขาดเรื่องเหล่านี้ท่านถือเป็นธรรมดาที่แปลกอยู่บ้างก็คือพวกผีพากันย้ายบ้านเรือนครอบครัวจากแถบบ้านนั้นไปบ้านนั้นใกล้ภูเขาลูกนั้นจังหวัดนั้นทําให้อีสานไปอยู่ภูเขาทางจังหวัดเชียงใหม่กันมากมายมีทั้งขีมา้าคีวัวอุ้มลูกหากระบุตะกร้าขนครอบครัวผ่านไปหน้าบริเวณที่ท่านพักอยู่ พอไปถึงหน้าบริเวณนั้นหัวหน้าผีพาบริษัทบริวารเข้าไปกราบไหว้ท่านท่านถามการไปมาของผีเหล่านั้นได้รับคําตอบจากเขาว่ากําลังพากันย้ายครอบครัวลูกหลานมาจากบ้านนั้นๆดังกล่าวแล้วมาอยู่ภูเขาลูกนั้นทางจังหวัดเชียงใหม่โดยพวกผีบอกว่าทางโน้อนอดอยากคันดานมากผู้คนไม่มีสินรรมมีแต่โฉกลักต้นขโมยและข้าวฟันก่นแทงกันไม่เว้นแต่ละเวลา ผีก็มีนิสัยคล้ายกันกับมนุษย์คือกลายเป็นผีไม่มีศีลธรรมไปตามมนุษย์เหยียดเบียนกันทำลายกันเหมือนมนุษย์ทำให้เกิดความเดือดร้อนระสำนระส า, า, าอยู่ไม้เป็นสุขเหมือนแต่ก่อนทราบจากญาติๆเขามาเยี่ยมบอกว่าทางเชีงยงใหม่นี้มีความผาสุกมนุษย์ก็มีศีลธรรมดีกว่าที่อื่นๆศาสตร์จำพวกมนุษย์ไม่รู้จักดางพวกผมนี้ที่อยู่เชีงยงใหม่ก็มีและมีศีลธรรมดีมีความร่มเย็นเป็นสุขดีกว่าที่อื่นๆ จึงได้พากันย้ายครอบครัวมาตามคำญาติเล่าให้ฟังโฮเล่เปิดคำว่าญาติกรุณาทราบว่าเป็นผีเช่นกันผฮเล่ปิดท่านถามเขาว่าเขาว่าอดอยากกันดานนั้นอดอยากกันดานอย่างไรเพราะเมไ่ไใดอาศัยข้าวปลาอาหารบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องห่มใช้สอยเหมือนมนุษย์จะต้องถูกสร้างขวนขวายให้ลำบากและมีการเบียดเบียนแย่งชิงกันอยู่การกินเหมือนมนุษย์เขาตอบว่า ขึ้นชื่อวระสาทที่มีวิบากกรรมติดตัวอยู่แล้วจะไปเกิดไปอยู่ที่ไหนก็มีวิบากกรรมเป็นเครื่องสนับสนุนและดีบขันราวีเหมือนกันหมดจะเกิดเป็นรู ป, ป ร, ร่างวัตถุหรือร่างใดไม่สําคัญออกท่านมันสาคัญอยู่ที่กรรมดีชั่วมีอยู่กับตัวเท่านั้นไปเกิดไปอยู่ในกําเนิดใดที่ใดก็คือผู้นั้นอยู่นั่นเองสําหรับความสุขทุกข์ที่จําต้องอาศัยฉะนั้นคําว่าอดอยากและสมบูรณ์จึงมีได้ในศาตร์ที่มีกรรมดีชั่วหนักเบาไปตามภูมิของตน ท่านถามที่ว่าผีมีสิ่ธรรมและไม่มีสิ่งธรรมนั้นเป็นอย่างไรผีก็รู้จักสิ่ธรรมเช่นมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกันหรือเขาตอบคําว่าสิ่ธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปไม่เพียงแต่มนุษย์อย่างเดียวความดีและความสุขในหลักธรรมชาตินั้นสัตว์ ร, รู้กันทั่วโลกแต่ชื่อนั้นอาจ ร, รู้หรือไม่รู้ก็ได้เพราะไม่สําคัญเท่าธรรมชาติที่สรรัตว์ทั้งหลายชอบและจําต้องอาศัยโดยทั่วกันความดีนั่นแหละคือสิ่ธรรม สุขที่เกิดจากความดีนั่นและคือสินธรรมอีกเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายเหตุกับฝ่ายผลต่างกันเพียงเท่านั้นที่ว่าผีมีสินธรรมคือผีผู้ดีมีนิสัยดีคิรยาที่แสดงออกต่อเพื่อนผีด้วยกันดีที่ว่าผีไม่มีสินธรรมก็คือผีผู้ไม่ดีมีนิสัยไม่ดีกิรยาที่แสดงออกทุกอาการต่อเพื่อนผีด้วยกันไม่ดีเช่นเดียวกับมนุษย์ผู้ดีและมนุษย์ผู้ไม่ดีแสดงออกต่างกันนั่นแหล ฉนั้นสิงธรรมมีอยู่ที่ไหนที่นั้นจึงร่มเย็นคาสิงธรรมที่ไหนที่นั่นจึงร้อนท่านถามคำว่าญาตินั้นหมายความว่าอย่างไรและเคยเป็นญาติกันมาแต่เมื่อไรเขาตอบญาติผีกับญาติคนก็เหมือนกันคือแต่เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เคยเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างสนิทติดจมเช่นอยู่กับมนุษย์เป็นกันเวลาตายไปกลับได้มาเกิดเป็นผีด้วยกัน แต่ต่างคนยังจำกันได้อย่างถนัชัดเจนจึงเป็นญาติการโดยสายโลหิตมาแต่มนุษย์จนปัจจุบันยังแยกไม่ออกนอกจากกรรมจะแยกให้ไปเกิดในที่ต่างกาัจึงสุดวิสัยที่จะจำท่านถามเวลามาอยู่เชียงใหม่แล้วจะไม่คิดถึงบ้านเก่าที่เคยอยู่มาเช่นมนุษย์ย้ายบ้านใหม่แล้วยังคิดถึงบ้านเก่าหรือเขาตอบไม่มีอะไรให้คิดถึงเพราะผีไม่มีไรน่นาสาโท บ, บ้านช่องแบบมนุษย์ มีแต่สิ่งละเอียดติดตัวเท่านั้นจึงไม่คิดถึงท่านถามกระบุงตะกร้าที่พากันหาพระรงพรั ง, รงมานี้เอามาทำไมกันมาวัวเหล่านั้นเอามาทำไมที่โ น, น่นไม่ได้เออเขาตอบก็เกิงใช้ของผีสมบัติของผีผีต้องนำติดตัวไปด้วยหรือจะว่าวิบากกรรมของผีวิบากกรรมของคนสมบัติของผีสมบัติของคนก็ไม่ผิดเมื่อวิบากกรรมมีอยู่กับตัวท่านถาม การอยู่ทางโน้นก็ดีการมาอยู่เชียงใหม่ก็ดีต้องมีบ้านเรือนอยู่และมีหมูมีเพื่อนอยู่ด้วยหรือต่างคนต่างอยู่เขาตอบต้องมีบ้านเรือนและมีหมูเพื่อนลูกหลานเช่นเดียวกับมนุษย์ได้ศาตว์อื่นๆ น, นั่นได้ทั้งเพราะพวกนี้ก็เป็นศาตว์ประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายเป็นแต่ม่รูปกายไม่ปรากฏในสายตามนุษย์และสัตว์บางจำพวกเท่านั้นแต่เปิดเผยในจำพวกกายที่เกี่ยกันความสุขความทุกข์ก็มีเหมือนกัน เพราะใจผีกับใจสัตว์ทั้งหลายมีกรรมและวิบากกรรมเหมือนกันจะเกิดในภพกกําเนิดใดอยู่ที่ใดจึงมีวิบากกรรมเป็นเครื่องสวยเหมือนกันท่านว่าเวลามองพวกผีที่ขอบขนครอบครัวผัวเมียลูกหลานผ่านมาพิจํานวนมากนั้นไม่ผิดอะไรกับมนุษย์เราย้ายครอบครัวย่างเรือนลักษณะการตายที่เต็มด้วยภาระแบกหามต่างๆย่อมแสดงให้เห็นความทุกข์ความกังวลมนหมอน เช่นเดียวกับมนุษย์ย้ายครอบครัวและสัตว์บางจาพวกเช่นมดขนไข่จากที่นี่ไปอยู่ที่นั่นนั่นแหลทําให้คิดในธรรมบทว่ากรรมจําแนกแยกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันและสวยผลต่างๆกันตามวิบากรรมตนที่ทําไว้ครเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ใดย่อมตกอยู่ในอนํานาจแห่งกรรมดีชั่วสุขทุกข์ด้วยกันไม่มีพิเศษจากกรรมต่างกันอะไรเลยผู้ทําดีผลที่สนองตอก็เป็นสุขผู้ทําชั่วผลนั่นก็เป็นทุกข์ คำว่าสุขหรือทุก์มีได้ในศัตว์ทั่วไปไม่นิยมชาติกำเนิดเป็นเพียงยาละเอียดต่างกันเท่านั้นทั้งกายยากายละเอียดสรุปแล้วก็คือเรือร่างแห่งความสุขทุกข์เราดีๆนี่เองจึงไม่ควรตื่นเต้นในการเกิดซึ่งเท่ากับการตายในขณะเดียวกันผู้ไม่อยากตายแต่ยังปรารถนาอยากเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ก็เท่ากับปรารถนาความตายอยู่นั่นเองท่านว่าผมนาเรื่องของ ผีของเทพที่เคยพบเห็นมาเทียบกับเรื่องของตัวและสัตว์ทั่วไปจนในความชัดเจนว่าล้วนตกอยู่ในความทุกข์ด้วยกันเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดต่างๆ ท, ที่ถูกขังไว้ในที่แห่งเดียวกันฉะนั้นทําให้เกิดความสลดสังเวชต่อความเกิดตายที่เราและสัตว์ทั้งหลายกําลังตกอยู่โดยไม่มีวันเวลาว่าจะพ้นไปได้เมื่อไรและทําให้มีความขยันทางจิตตภาวนาเพื่อื้อถอนกิเลส อันเป็นตัวนำของภกชาติมากขึ้นตามเหตุการณ์ที่ประสบมาคำว่าภพหรือชาติก็คือที่ตั้งแห่งทุกโดยตรงผู้ประสงค์ความสุขอันสมบูรณ์จึงไม่ควรปรารถนาความเกิดซึ่งเป็นการขัดแย้งหรือตัดรอนความประสงค์นั้นนอกจากความสิ้นเชื้อภายในใจนั้นเป็นความสุขอันสมบูรณ์แท้ท่านว่าไม่เพียงทราบเรื่องเปรตผีเทวบุตรเทวดาเท่านั้นแม้ท่านอาจารย์มั่นที่นิพพานแล้ว ยังเมตตามายเยี่ยมได้แบบแสดงธรรมโปรดท่านเสมอส่วนมากโอวาท่านอาจารย์มั่นที่แสดงแก่ท่านนักไปในความไม่ประมาทโดยยกสติขึ้นเป็นเครื่องประกันความเพียรว่าผู้มีสติในอิริยาบทนั้นๆไม่เฉพาะเวลาเข้าที่ทำสมาธิภาวนาหรือเข้าทางจงกรมโดยความมีสติจึงจะเรียกว่าทำความเพียรสตินั่นแลคือทำรับรู้ทาต้านทานทาต่อสู้ทำหลบฉากในวิธีการรบ ทำคึกหน้ากล้าตายในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตท่าทาสติเพียงอย่างเดียวก็เจงท่านอาจารย์ม่นสอนนักปฏิบัติจึงควรบำรุงสติสติควรมีอยู่กับธรรมทุกขั้นทุกภูมิของจิตไม่ว่าขั้นเริ่มฝึกหัดไม่ว่าขั้นจิตเป็นสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มฝึกหัดทางปัญญาไม่ว่าขั้นปัญญาและขั้นปัญญาอันแหลมคมสติมีความจําเป็นกับธรรมทุกขั้นไปตลอดสายสติไม่ควรให้อยู่ในวงจํากัด ว่าควรมีน้อยเพียงนั้นหรือควรมีมากเพียงนั้นแต่ควรให้มีจนแก่กล้าเป็นขั้นมหาสติได้ยิ่งดีเพราะสติเป็นธรรมสาคัญในวงความเพียรที่ผู้ปฏิบัติควรสนใจอย่างยิ่งไม่ว่ากิจใดทั้งในและนอกทั้งยาและละเอียดสติเป็นธรรมจาเป็นที่ควรแทรกอยู่ด้วยทุกกรณีสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิสติต้องเป็นที่เลี้ยงให้เป็นไปถ้าขาดสติเป็นเรื่องขาดมากกว่างานทุกชิ้นที่ขาดไปไม่ได้ทํา จะทำงานใดหรือไม่แต่สติไม่ควรให้ขาดไปจากตัวจากใจผู้พยายามบำรรงสติไม่ลดละไม่ว่ากิเลสจะนาแน่นเพียงไรในหัวใจจะต้องเบิกทางให้เดินจนได้คือสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกโภมจะเกิดและมีกำลังได้ด้วยอำนาจสติเป็นเครื่องบำรรงหนีไม่พ้นทางเชื่อมโยงแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงวิมุตติพระนิพพานได้แก่สตินี่แลเป็นผู้สนับสนุน ใครจะเจริญสมถะหรือวิปัสนาขั้นใดก็าตามถ้าขาดสติแล้วสมถะและวิปัสนานั้นไม่มีทางเจริญได้เลยน่าแต่เริ่มแรกปฏิบัติมาจนสุดทางเดินผมไม่มองเห็นคำใดที่เด่นและฝังลึกในใจเท่าสตินี้เลยสติเป็นทางพิยาเลียงเป็นทัางอาหารเป็นทั้งยารักษาของสมาธิและปัญญาทุกขั้นทำดังกล่าวนี้จะเจริญได้จนสุดขั้นของตนล้วนขึ้นอยู่กับสติเป็นผู้บำรุงรักษาโดยจะขาดไม่ได้ ท่านจงฟังให้ถึงใจยึดไว้อย่าหลงลืมว่าสตินี่แลคือขุนกําลังใหญ่แห่งความเพียรทุกด้านต้องพานสตินี้ก่อนจะเคลื่อนไหวโยกย้ายความคิดเห็นไปในทางใดหยาบหรือละเอียดในทำขั้นใดต้องมีสติเป็นตัวกลางสําคัญในวงความเพียรปัญญาเมื่อถึงคราวคิดคนจงคิดคนให้เต็มฝีมืออย่าออมแรงกลัวปัญญาจะล้นฝั่งถ้าสติมีกํากับปัญญาไปทุกระยะที่พิจารณาคิดคนแล้ว ปัญญาจะไม่ร้นฝั่งกลายเป็นความเหลวไหลไปได้ที่ปัญญากลายเป็นน้ำร้อนฝั่งจนหาที่จอดแวะและยุติไม่ได้นั้นเพราะขาดสติคำขับปัญญาจึงกลายเป็นสัญญาไปจนหาจุดความจริงไม่เจอปัญญาที่มีสติเป็นเพื่อนสองต้องก้าวขึ้นสู่หาปัญญาโดยไม่คาดหมายลงใจมีมหาสติมหาปัญญาเป็นเพื่อนสองแล้วกิเลจจะนแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลก ก็ไม่ทนความแตกทลายพระอำนาจของมหาสติมหาปัญญาไปได้การทำความเพียรอย่าสนใจมองดูเวลาสถานที่หรือสิ่งใดยิ่งไปกว่าการมองดูจิตหรือเหตุการณ์ที่เกิดดับอยู่ภายในจิตด้วยสติพิจารณาด้วยปัญญามีแลคือทางพ้นทุกข์ทั้งมวลอยู่ตรงนี้ไม่อยู่กับสถานที่การเวลาแต่การสแสวงหาที่วิเศกสงัดเพื่อชัยส ม, มรภูมิอันเหมาะสมนั้นเป็นความชอบธรรม แต่ระวังอย่าถือสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จนกลายเป็นการสร้างอุปสรรคแก่ตนเพราะความกังวลแสวงหาสถานที่การแสวงหาสถานที่กอแสวงจนเป็นที่พอใจสติก็ตั้งปัญญาก็คิดไปในขณะเดียวกันอย่าให้เสียเวลาไปกปล่าสติปัฏฐานสี่และสัจ ธ, ธรรมสี่นั่นคือสนามรบจงทุ่มเทสติปัญญาสถาความเพียรลงที่นั่นอย่าสงสัยว่ามรรคผลนิพพานจะมีอยู่ในที่อื่นใด นอกไปจากวงสติปฐานสี่และสัจธรรมสี่นี้ทำดังกล่าวเป็นที่ยืนยันรับรองมรรผลมาแต่ดึกดําบรรและยังเป็นธรรมรับรองว่าผลเต็มภูมิอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องการบกพร่องไม่สามารถถึงที่ประสงค์ได้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาสธาความเพียงของแต่ละรายไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมดังกล่าวที่เป็นธรรมยืนยันรับรองตายตัวอยู่แล้วท่านจงทําความมั่นใจต่อมรรคผล โดยการคุยเคียขุดค้นสติปัฏฐานสี่หรือสัจธรรมสให้เต็มภูมิสติปัญญาที่มีอยู่ท่านจะเป็นผู้หยิบยื่นมรรคผลให้แก่ท่านเองด้วยความสามารถของตนโดยไม่คาดฝันในวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนที่อธิบายนี้คือที่รวมแห่งมรรคผลว่าไม่มีอยู่ในที่อื่นใดท่านจงพยายามตามนี้จงหายสงสัยในองค์พระศาสดาองค์พระธรรมและองค์พระสงฆ์ ตลอดครูอาจารย์ที่โลกว่าท่านเข้าสู่นิพพานไปแล้วคําว่านิพพานไม่ได้อยู่ตามจุดที่โลกคาดคะเนหรือเดากันแต่อยู่ที่โลกไม่สามารถคาดเดาได้ท่านจะเห็นนิพพานที่ไห น, นเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆเห็นครูอาจารย์และเห็นท่านเองที่ตรงนั้นแล้วหายสงสัยโดยประการทั้งปวงที่นั่นคือที่ไหนเล่าก็คือสติปัฏฐานสี่และสัจธรรมทั้งสี กับใจที่มีมหาสติมหาปัญญาคุยเคียกดค้นย่างละเอียดทั่วถึงจนเป็นธรรมของจริงล้วนๆขึ้นมาทุกส่วนไม่มีความรู้ความเห็นใดปลอมแปลงแฝงอยู่ในสติปัฏฐานสีและสัจธรรมทั้งสีนั่นเลยต่างอันต่างจริงคือสติปัฏฐานสีก็จริงสัจธรรมทั้งสีก็จริงใจก็จริงด้วยปัญญานั่นแลคือวิมุตตินั่นแลคือนิพพานนั่นแลคือที่สถิตอยู่แห่งองค์ศาสดาองค์พระธรรมองค์พระสง์ และครูอาจารย์ที่ท่านบริสุทธิ์จะเป็นที่ไหนกันอีกล่านั่นแลคือที่ยุติความกังวล น, นั่นแหลที่ปล่อยวางภพชาติทั้งมวล น, นั่นแหลคือที่ปล่อยวางทุกทั้งปวงท่านปล่อยวางกันที่ตรงนั้นท่านจงพยายามในข้อปฏิบัติเพื่อความปล่อยวางที่จุดนั้นอย่าคาดคะเนยอย่าเดาให้เสียเวลาและเหนื่อยกล่าวเพราะทํานั่นไม่ใช่ทําคาดคะเนมิใช่ทําเดาจะเป็นทำจริงใครจริงในข้อวัดปฏิบัติที่ประธานไว้ ผู้นั้นจะเข้าถึงธรรมจริงปราศจากความร้นเดาใดๆทั้งสิ้นดังนี้พอเมตตาสั่งสอนจบลงท่านอาจารย์องค์นั้นก็ก้มลงกราบโดยทางสมาธิภาวนาเสร็จแล้วท่านอาจารย์มั่นขยับเคลื่อนองค์เล็กน้อยแล้วหายลับไปเลยคราวนี้ท่านไม่ได้เพาะมาโดยทางอากาศเวลาจากไปองค์ท่านก็หายลับไปเลยท่านว่าตามนิมิตสำหรับท่านอาจารย์มั่นเอาแน่ไม่ค่อยได้ คือบางทีท่านเหาะลอยมาทางอากาศและกลับไปทางอากาศแต่บางทีก็เดินมาอย่างธรรมดาและหายไปอย่างธรรมดารูปลักษณะท่านเป็นร่างเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ท่านเมตตาสั่งสอนท่านมาในร่างเดิมท่านว่าท่านอาจารย์มั่นมาเมตตาสั่งสอนท่านเสมอท่านอาจารย์องค์นี้มีนิสัยวาสนาแปลกๆอยู่บ้างที่สาคัญก็คือท่านชอบอยู่ในป่าในเขาและชอบเที่ยวคนเดียว แม้จะออกมาเกี่ยวข้องกับหมู่คณะบ้านก็เพียงชั่วคราวและชอบเผชิญกับเหตการณ์ต่างๆมีเสือเป็นต้นแต่ชีวิตท่านก็ผ่านมาได้ด้วยความราบรื่นปลอดภัยครั้งหนึ่งตอนกลางวันท่านพักจำวัดอยู่ในกุฏิเล็กๆเผอิญวันนั้นโยมมาดาท่านไปที่วัดไม่ทราบอะไรโดนใจให้โยมท่านไปร้องเรียกท่านให้ลงไปศาลาอย่างรีบดวนโดยบอกว่าเวลานี้มีพระนางมาีมาอยู่ที่ศาลา ขอนี้มนุ์ท่านลงไปศาลาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทั้งรองเรียกทั้งยืนคอยท่านอยู่หน้าคูดีเฮรียบรงไปโดยด่วนจนท่านตกใจตื่นขึ้งหลับและรีบตลงมาจากคูดีทันทีไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นอะไรที่ว่าพระนางมณีอยู่ที่ศาลาจะจริงหรือเท็จก็ยังไม่ได้พิจรารณารีบรุบพรวดพลาดลงจากคูดีเลยในเดี๋ยวนั้นหน่าอัศจรรย์เกินคาดเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เริ่มเกิดขึ้นในขณะนั้น คือพอท่านลงจากกุฏีมาด้วยความรีบรวนได้ประมาณสาวาเท่านั้นต้นไม้ใหญ่หน้ากุฏีท่านก็หักลม้มลงทับกุฏีท่านในขณะนั้นจนแหลกละเอียดไม่มีชิ้นเหลืออยู่เลยถ้าท่านยังนอนหลับอยู่ในกุฏีโดยโยมท่านไม่ได้มาปลูกยางกระทันหันแล้วอย่างไรก็คงหลับเตลิดไปเลยจนป่านนี้คงไม่มีวันตื่นแน่นอนท่านว่านี่แหละคือกรรมที่ยังสืบต่ออยู่จึงยังไม่ถึงที่ ชีวิตก็ยังผ่านมาได้ถึงวันนี้ไม่งนั้นก็คือขณะนั้นแน่นอนเป็นวาระสุดท้ายท่านพอเรื่องผ่านไปแล้วท่านจึงถามโยมันดาว่าเพราะเหตุไรอยู่ๆจึงมาเรียกลุกท่านอย่างรีบด่วนจนไม่ได้ตั้เนื้อตั้งตัวรีบลุกออกมาทั้งที่กําลังเป็นบ้าหลับป้าตืน่นและเวลาตื่นขึ้นมาแล้วยังงงงันอยู่เลยแม้กระทั่งไม้ลมทับกุดีโยมันดาบอกว่ า, วาเหมือนมีอะไรบันดาลใจให้ต้องรีบไปปลุกท่านให้ลุก เพื่อมาดูพระนางมัตสีประกอบกับขณะนั้นก็ปรากฏเห็นพระนางมัตสีมานั่งอยู่บนศาลาจริงๆด้วยโดยพระนางทรงบอกเองว่าตนเป็นพระนางมัตสีจึงอยากให้พระลูกชายมาต้อนรับและดูพระนางมัตสีแต่ก่อนเคยได้ยินแต่ชื่อในพระเวทสนวรชาดกไม่คาดฝันว่าจะได้เห็นองค์พระนางมัตสีเองสเสด็จมาอยู่ที่ศาลาในป่าเช่นนั้นจึงทําให้เกิดความตื่นตันใจอย่างบอกไม่ถูกจึงรีบไปปลุกลูกชายให้ตื่น รีบลงไปศาลาหาพระนางมสัสีเรื่องก็ดังที่ปรากฏ น, นั่นแหลโยมท่านว่าผมเองก็อัศจรรย์ไม่เคยคิดคาดว่าเรื่องทนองนี้จะเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นผมต้องตายแล้วแต่บัดนั้นท่านว่าขณะฟังท่านเล่าขนลุกสู้ทันทีท่านว่ากรรมบันดาลจริงๆที่ว่าพระนางมัสีมานั่งอยู่ที่ศาลานั้นน่าจะเป็นเทวดานิมิเตสเป็นพระนางมสีมาช่วยชีวิตท่านไว ไม่เช่นนั้นก็คงจบไปแล้วในวันนั้นไม่ได้เป็นท่านมาจนบัดนี้เลยฟังโยมท่านพูดว่าเป็นผู้หญิงจริงๆนั่งอยู่บนศาลารูปร่างสวยงามมากไม่เคยเห็นหญิงใดสวยงามเหมือนหญิงที่ประกาศตนว่าเป็นพระนางมสัสีซึ่งนั่งอยู่บนศาลานั้นแต่เวลาพากันกลับมาดูอีกหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วไม่เห็นมีพระนางมัสีอยู่ที่นั่นเลยเห็นแต่รูปพระเวชชันดรกับรูปพระนางมัสีที่มีอยู่บนศาลามาทั้งเดินเท่านั้น ใครๆนึกประหลาดและอัศจรรย์ไปตามกันที่เหตุการณ์เปลี่ยนไปในทํานองนั้นท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกอุดวิตตัวชีวิตมาหลายครั้งคือเคยเผชิญกับเสือมาหลายครั้งไม้ลมท่าพุดีแหลกละเอียดองค์ท่านเทวดาพันดานให้หนีพ้นไปได้อีกครั้งสุดท้ายนี้ก็อุดวิตไปเหมือนกันคือวันนั้นเดินทางไปพักในป่าใหญ่นอกบ้านแห่งหนึ่งเนื่องจากเดินทางมาจากเขา พอมาถึงที่นั่นค่ำพอดีจึงแวะพักในป่านั้นพอตกกลางคืนราวสามทุ่มทั้งฝนทั้งพายุโหมกันมาอย่างหนักทั้งลูกลูกเห็บไมฟฟตโตโตก็ลงพร้อมกันหาที่ลหลบหลีกไม่ได้ต้องยืนพิงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งด้วยความจำเป็นตามองไม่เห็นอะไรฝนก็ตกเต็มที่ลูกเห็บก็ลงราวกับพังหินลงจากภูกเขาพายุใหญ่ก็โหมกันมาเหมือนต้นไม้จะถอนไปทั้งรากทั้งโคน ขณะยืนเปียกฝนมือข้างหนึ่งถือกรดต่างไว้บาข้างหนึ่งสะพายบาดยืนนาวตัวสั่นอยู่ใต้ทนไม้เหมือนลูกนกถูกฝนไม่นึกไม่ฝันเหตุไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นในขณะนั้นคือกิ่งไม้ใหญ่ถูกพายุาพัดทนไม่ไวหวหักขาดตกลงถูกกรดในมือท่านแรกละเอียดหมดบาดหลุดบาดตกกระเด็นไปนคนละทิศทานคราวนี้เป็นอันว่ายังเหลือแต่ตัวกลับลมหายใจทนหนาวอยู่คอยวราสุดท้าจะมาถึง บริหารชินไดตกไปไหนก็ไม่มีทางทราบได้เพราะเป็นเวลากลางคืนฝนกําลังตกหนักพายุกําลังแรงเต็มที่ตามองไม่เห็นอะไรมีแต่ยืนหลับตาดูลมหายใจอยู่เท่านั้นว่าจะหยุดทํางานกันขณะใ ด, ดยังมีติดตัวอยู่เฉพาะสบงกับที่วอนที่นุงหฮมปกปิดกายเท่านั้นทั้งเปียกบอนไม่มีดีเลยความหนาวเหน็บเจ็บปวดประกฏว่ารวดร้าไปทั้งร่างชนิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูก นึกว่าตัวเองตายไปครึ่งหนึ่งแล้วเนื่องจากความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจนหาอะไรเทียบไม่ได้เวลานั้นยืนนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูที่ทรงได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตัวที่กําลังได้รับอยู่เวลานั้นมากมายท่านไม่เห็นเป็นอะไรอย่างเล็ดรอดอันตรายทั้งหลายมาจนได้ตรัสรู้เป็นาศาสดาสอนโลกส่วนเรามีทุกบ้างชั่วระยะเวลาฝนตกเท่านี้ยังทนไม่ไหวก็ควรตายไปเสียอย่าเสียดายชีวิตเลย พอฝนและพายุสงบลงซึ่งเป็นเวลานานประมาณสองชั่วโมงเศษจึงพอมีลมหายใจคืนมาบ้านทีแรกนึกว่าตายไปกับฝนกับพายุและลูกเห็บหมดแล้วคืนนั้นไม่ได้พักหลับนอนทั้งคืนทั้งยืนทั้งนั่งตัวสันอยู่ตลอดสว่างขณะที่ฝนกบบาลังตกนั้นเขาบังเอิญมีงูสามเหลี่ยมใหญ่ตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาหาท่านไล่ก็ไม่ ย, ยอมหนีมันเลื้อยเฉียดมาที่เท้าก้มลงดูไกลๆจึงทราบว่าเป็นงูสามเหลี่ยม ที่พอมองเห็นได้บ้างก็เพราะเป็นหน้าเดิมหงายแม้จะมืดด้วยอากาศฝนก็ยังพอมองเห็นได้งูตัวนั้นจากไล่ไม่ยอมหนีแล้วมันยังมาขดตัวอยู่ข้างๆคนอีกห่างกันรประมาณครึ่งเมตรเท่านั้นจึงทําให้คิดตรงอันนี้จังว่าคราวนี้เราเป็นทุกข์เต็มทนแต่งูตัวนี้เวลาฝนตกคงนึกคงนึกสนุกจึงออกเที่ยวหาอาหารกินแทนที่จะไปเที่ยวหาอาหารทำไมจึงกลับมานอนคนอยู่ข้างเราอย่างนี้ ซึ่งไล่ก็มยอมหนีรอยมันคงจะมาเป็นมิตรกับเราในยามทุกข์ยากกระมังพอโปรงอนิจังตกก็เลยหยุดไล่ปล่อยให้มันนอนอยู่ตามสบายแต่ไม่แสดงกิริยาท่าทางหน้าราวอะไรเลยคงอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างนั้นเองจวนสว่างมันถึงได้หนีไปส่วนท่านเองหนีไปไหนไม่ได้เพราะตามองไม่เห็นอะไรไฟก็จุดไม่ได้ไม่ขีดไฟที่เก็บไว้ในบาดก็ถูกกิ่งไม้ใหญ่ตกลงมาทับหลุดมือ หายไปไหนก็ไม่มีทางทราบได้เทียนไขและโคมไฟที่อยู่ในบาดก็เช่นกันไม่ทราบตกหายไปไหนจำต้องทนนั่งลิงนอนลิงเฝ้า ง, งูสามเหลี่ยมอยู่จนถึงสว่างเมื่อสว่างพอมองเห็นอะไรได้บ้างจึงเที่ยวค้นดูบริหารต่างๆที่ตกหายไปเจ้าพ่อกรดถูกกิ่งไม้ทับแหลกไม่มีเช่นดีเลยส่วนบาทถูกไม้ทับบูบีไปหมดแต่ยังพอแก้ไขได้จึงนามาทุบตีที่บุบๆออก พอได้ใส่อาหารฉันในวันต่อไปตอนเช้าชาวบ้านออกมาดูท่านต่างพากันมาปรองธรรมสังเวชว่าท่านบุญมากไม่ตายจะเสียแต่คืนนี้น่าสงสารท่านเหลือประมาณแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เวลานั้นเพราะทางบ้านก็หลังคาถูกพายุพัดกระเจิงไปตามลงก็มีเยอะเหตุการณ์ขนาดนี้ถ้ายังไม่ถึงคราวก็ผ่านพ้นไปได้แต่ใครเล่าจะอยากเจอบ้างเหตุการณ์ฉองนี้ นี่แลชีวิตของพระธุดงกรรมฐานที่ท่านพยายามฟันฝ่นามาแต่ละองค์ก่อนจะได้เป็นครูอาจารย์นำธรรมมาสั่งสอนคณะลูกศิษย์ชีวิตท่านเป็นมากับความทุกข์ทรมานดังที่ทราบอยู่ขณะ น, นี้แม้เช่นนั้นท่านก็มายอมรัละความเพียรที่ท่านนั่งลิงนอนดิงทนหนาตลอดคืนก็คือการรบค่าสึกอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้เรียกว่าวิธีชวนตรผูก่าึกคือฝนตกพายุพัดลูกเห็ดตก และกิ่ไม้หักตกลงมาทับบริขารแหลกกระจุยกระจายซึ่งเป็นค่าสืบชนิดซ้อมรอบขอบชิดจนหาทางออกไม่ได้ที่เรียกว่ารบค่าสืบแบบวิธีจนตรอกตัวเองแทบตายแต่ก็ยังผ่านท้นมาได้นับว่ายัางไม่ถึงข่าวและผ่านมาจนได้เป็นครูอาจารย์ให้อภัยทำคณะลูกศิษย์ยังได้ฟังธรรมเดนตายจากท่านถ้าองค์ท่านไม่เหลือเดนมาธรรมก็คงไม่เหลือเป็นธรรมเดนมาถึงพวกเราเมื่อคิดดูแล้ว คณะลูกลูกศิษย์ลูกศิษย์เยพท่านอยู่มากอยู่ๆก็ได้ฟังไม่อยากเย็นเข็นใจเหมือนท่านถูกโขนกวายท่านอาจารย์องค์นี้ทุกก็มาทั้งเป็นทุกข์ซ้ำซากนับแต่เริ่มปฏิบัติมาภูมิธรรมท่านก็สูงหน้าเคารพ บ, บูชาเป็นกวัญตากวัญใจแก่พวกเราในทุกวันนี้ท่านไม่ได้ลดเยาะความภาคเพียนเพราะท่านเคยได้ผลด้วยความเพียนจึงพยายามเพียนเรื่อยมาไม่เคยเห็นผลจากความเกลียดคร้านอ่อนแอ ท่านจึงไม่ยอมอ่อนแอท่านที่เคยเห็นผลในทางใดก็มักเพียรในทางนั้นดังได้กล่าวแล้วข้างต้นท่านอาจารย์องค์นี้ควรเป็นทิฏฐานุกติได้เป็นอย่างดียากจะมีผู้ทําได้อย่างท่านภูมิจิตภูมิธรรมท่านน่าเคารพเลื่อมใสามากทางสมาธิก็เก่งรู้ได้ทั้งข้างในข้างนอกเกี่ยวกับพวกเปรตผีทเท ว, วดาพญานาคยากจะมีผู้รู้เห็นได้อย่างท่านทางปัญญาท่านก็ดี ผูดวงควัตนับว่าท่านเป็นผู้รักชอบมากและรักษาไว้ด้วยดีตลอดมาท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงในบรรดาลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นด้วยกันสมัยท่านอาจารย์มั่นยังอยู่ท่านได้รับความชมเชยว่ามีนิสัยในการสงเคราะห์เทวดาพูดเรื่องเทวดาเปรตผีพญานาครู้เรื่องกันเป็นผู้มักน้อยสำโดดชอบอยู่โดดเดี่ยวในป่าในเขาคนเดียวมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาถารพ์ดีประความความเพียรดี ค่อยตื่นเต้นตามโลกสงสารที่นิยมนั้นๆ น, น, น, น, นี้กันอย่างง่ายดายถือป่าเข้าถ้ำเหอมผาเป็นที่อยู่เรื่อยมาตามทางดําเนินของครูอาจารย์ที่พาดําเนินไม่เป็นค น, นมีนิสัยกลับกลอกกระจกสอพอที่เขานอกออกไลวิ่งใต้เขาเหนือได้แต่ยึดถือเอาสาระประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้ชอบมีแต่ชื่อไม่มีตัวจริงถ้าเป็นเงินก็มีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินส่วนท่านอาจารย์องค์นี้ เป็นผู้มีปุณธรรมที่น่าชมเชยและชมว่าเป็นผู้พูดน้อยแต่ต่อยมากไม่ค่อยมีการพูดพร่ำลมๆแรงๆซึ่งความจริงไม่ค่อยมีดังที่ควรจะเป็นแต่ท่านอาจารย์องค์นี้ชอบพูดจริงทําจริงเป็นนิสัยสมเป็นพระปฏิบัตินับแต่วันบวชมาจนบัดนี้ดังนี้สำหรับอดีตเรกราบท่านไม่ค่อยมีมากแต่บรรดาพระและคณะสิทธิ์ท่านก็ทราบได้ดีถึงสาเหตุที่ท่านไม่ค่อยมีสิ่งเหล่านี้มาก เนื <necessary. S 2> ่องจากท่านชอบเที่ยวอยู่แต่ป่าแต่เขาภูนิสัยไม่ค่อยออกมาบ้านเมืองที่มีผู้คนมากและท่านอยู่ไม่ค่อยเป็นที่เป็นฐานที่ผู้คนจะพอทราบและเข้าถึงท่านได้ง่ายอีกประการหนึ่งท่านมีนิสัยไม่ชอบเกลื่นกลนวุ่นวายกับผู้คนและเครื่องขยัทานทั้งหลายยิ่งกว่าการสนใจในธรรมจึงทําให้มีนิสัยชอบในทางเป็นนักแสวงธรรมและอยู่ตามสถานที่ที่เห็นว่าการบําเพ็ญเพื่อธรรมที่ตนมุ่งหมายจะสะดวก